สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับต้องขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่ได้อธิษฐานเผื่อและห่วงใยกับผมเองที่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตลอดวันเมื่อวานที่ผ่านมานั้นก็ได้มีไลน์หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ครับที่ได้แสดงความเป็นห่วงของพระเจ้าอวยพรที่พี่น้องที่รักทุกท่านเราจะพบกันทุกวันต่อไปนะครับเป็นน้ําระทัยของพระเจ้า ที่อยากให้ผมไม่มีกําลังเพียงพอมีศักยภาพเพียงพอที่พี่น้องจะได้ยินได้ฟังทำอธิบายหรือคําแบ่งปันจากพระเจ้าของพระเจ้าต่อไปขอบคุณพระเจ้าและนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผมที่จะเป็นพระพอให้กับพี่น้องทุกๆ ท, ท่านขอพระเจ้าได้เมตตาพวกเราทั้งหลายทุกคนในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าและนา ม, มาตรีของพระองค์ต่อไปเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า พี่น้องครับในเช้าวันนี้พระชนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์บทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่6พระธรรมยอห์บทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่6โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าอย่าให้ใจท่านนังหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นนันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านนังหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านัางหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าพรงเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรเปเยซูตรัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์เพี่านั้ครบริบทที่พวกสาวกกำลังนั่งฟังพระเยซูอยู่นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์หลังจากวันอาทิตย์ทางตาลนหรือวันปามสันเดนนั่นเอง หลังจากที่พระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มเข้าเข้าออกร้ายวันนะครับก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์วันปามสันเดา์วันจันทร์วันอังคารวันพุธจนกระทั่งถึงวันพระรหัสซึ่งเป็นวันเทศกาลปัสกาพวกสาวกเองนั้นก็ได้รับคำสอนในสัปดาห์สุดท้ายพร้อมกับผู้คนที่ติดตามพระองค์แบบเอกซ์คลูซีฟบ้างนะครับแบบเอกซ์คลูซีฟก็คือแบบส่วนตัวส่วนตัวและแบบ <c oughs> รวมรวม พร้อมกับคนที่อยู่ในพระวิหารหรืออยู่ในโลซึ่มที่ติดตามพระเยซูบ้างในขณะที่พวกฟอริสีนั้นกําลังวางแผนชั่วกันอย่างขมักขม่นด้วยความอิจฉาด้วยข้อกล่าวหาว่าเนี่ยคนทั้งเมืองนะครับคนทั้งหลายก็ติดตามพระเยซูบ้ากันไปใหญ่ละนี่คือบริบทนี่คือเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้พี่น้องครับเราต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของคําสอนและภารกิจของพระเยซู ในครั้งนี้หมายถึงในการเสด็จมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ในคันของนางมารีคลอดออกมาอยู่บนรางหญ้าเติบโตอยู่กับช่างไม้ชื่อโยเซฟและออกมาทำพระราชกิจของพระองค์จนทั้งถึงการตายบนไม้กั้งเข น, นั้นการเสด็จมาครั้งนี้นั้นเป็นการเสด็จมาเพื่อตายไถบาทครับ ฉะนั้นการครอบครองของพระเยซูคือการครอบครองจิตใจแผ่นดินของพระเยซูคือแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็คือเป็นครื้นจักรหรือเป็นแผ่นดินที่พระเยซูครอบครองครับไม่ใช่เป็นแผ่นดินโลกหรือราชันนัจักรหรือแม้กระทั่งเป็นกำลังทหารขยายอาณาเขตในลักษณะเชิงกายภาพแต่เป็นแผ่นดินที่อยู่ในจิตใจของผู้คนต่างหาก ที่นับถือพระเยซูที่เคารพยกย่องพระเยซูที่ให้พระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดพี่น้องครับในพระธรรมยร์มาที่สิบสี่นี้เป็นพระธรรมที่น่าจะเกิดขึ้นบนห้องชั้นบนนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นบนห้องชั้นบนคือพระเยซูกำลังพูดกับสาวกเป็นส่วนตัวขณะที่ทรงทานอาหารมื้อสุดท้าย เป็นอาหารค่ำมื้อสุดท้ายก่อนพระเยซูเสด็จขึ้นบนแมงค์ เ, เขียนตรงทรงทราบล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระองค์ครับดังนั้นจึงเป็นการเน้นย้ำสรุปสาระสำคัญแห่งการเสด็จมาครั้งนี้เลยทีเดียวและจากบทที่สิบสี่นี้เป็นต้นไปเราจะได้สัมผัสกับหัวใจของพระเยซูในพระธรรมยอห์นซึ่งบันทึกไว้ เพราะเหตุที่พระมย อ, อ น, นั้นเป็นพระธรรมที่บันทึกช้าที่สุดพี่น้องครับย อ, อ น, นั้นเป็นคนที่ติดตามพระเยซูใกล้ชิดที่สุดและเราจะสัมผัสกับหัวใจของพระเยซูในพระธรรมย อ, อนต่อจากนี้เป็นต้นไปเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงห่วงเหล่าสาวกเป็นอย่างมากมีเพลงเพลงหนึ่งที่ผมคิดถึง เมื่อได้เห็นถึงพระกัมพีข้อนี้และได้รู้ว่าพระเยซูทรงห่วงเหล่าสาวกเพลงเพลงนั้นก็ชื่อว่าพระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่คำตอบคือพระองค์ทรงห่วงพระองค์ทรงห่วงครับแต่ขณะที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงห่วงเราจะต้องมีท่าทีตอบสนองต่อการทรงห่วงของพระองค์อย่างไรคำตอบก็คือเราจะต้องวางใจในพระองค์ในบทที่สิบสี่ข้อที่หนึ่งบอกว่าอย่าให้ใจท่านหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยเพรครับคำว่าไม่วิตกพ่งพีพระเยซูใช้คำว่าใจครับใจท่านทั้งหลายวิตกใจนั้นเป็นตัวล่อลวงอย่างดีใจของคนเรานั้นเป็นใจที่บอบบางเปราะและแตกง่าย Sensitivity ้ของใจเนี่ยสูงนะครับนอกจากคนที่มีใจหยาบกระด้างหยาบกร้าน เชนซิลิวิตี้เขาอาจจะต่ําแต่อย่างไรก็ตามครับใจของคนปกติทั่วไปครับใจวิตกใจกังวลเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายทุกทุกคนพระเยซูกําลังบอกว่าโปร่งทรงห่วงเราโรงทรงให้กําลังใจว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยประเด็นต่อไปก็คือว่าพระเยซูบอกว่าจงวางใจในเราหมายถึงจงวางใจในพระเยซูครับ ถูกต้องครับเราทุกคนนั้นโดยทฤษฎีเราต้องวางใจในพระเจ้าพระเยซูกําลังบอกว่าเราวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราหมายถึงจงวางใจในพระองค์ด้วยถามว่าทําไมครับเพราะพระเจ้าไม่เห็นนะครับเรามองเห็นพระองค์ไม่ได้นะครับเรามองไม่เห็นพระองค์ในขณะเดียวกันครับพวกสาวกของพระองค์เห็นพระองค์ครับสองสามฟีที่อยู่ด้วยกัน นะครับแต่มีวันหนึ่งพระเยซูก็ไม่อยู่ให้พวกเขาเห็นทุกวันนี้เราก็ไม่เห็นพระเยซูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงห่วงเราห่วงสาวกของพระองค์และพระเยซูทรงรู้ว่าเมื่อพระเยซูไม่อยู่นั้นสาวกจะไปถูกหรือเปล่าสาวกจะต่อไปได้ยังไงนี่คือความห่วงใยของพระเยซู แท้จริงแล้วพระ อ, องค์ทรงทราบครับว่าสาวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปเพราะเนื่องจากพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่ความห่วงใยนี้มันเกิดขึ้นจากหัวใจของพระเยซูที่พระเยซูทรงห่วงสาวกของพระองค์และรวมทั้งห่วงเราด้วยเมื่อพระเยซูไม่อยู่สาวกไปต่อไม่ถูกครับแต่สิ่งที่พระเยซูทรงย้ําเน้นที่นี่บอกว่าสาวกจะต้องไปต่อให้ได้จะต้องวางใจครับยามใดไปต่อไม่ถูกนะครับไม่รู้จะไปทางไหน เราต้องวางใจเพราะฉะนั้นการวางใจนั้นดูเหมือนง่ายครับแต่ก็ยากเพราะเราไม่เห็นจึงยากพจนภีสอนว่าสิ่งที่เห็นไม่ยั่งยืนถาวรครับแต่สิ่งที่ไม่เห็นยั่งยืนถาวร น, นิรันด์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าการวางใจนั้นสำคัญเพ่าการวางใจนั้นมีความสำคัญและมีมีประโยชน์อยู่สามอย่างด้วยกันครับก็คือหนึ่งความวางใจนั้นเป็นพร ในพ้อธรรมยอร้อนบทที่ 20-29 พระเยซูพูดกับโทมสัสเหมือนกับที่โทมัสถามพระเยซูในบทที่14นี้พูดกับโทมัสว่าไงครับบอกว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อก็เป็นสุขนั่นหมายความว่าผู้ที่วางใจนั้นการวางใจนั้นจะนามาซึ่งพรครับเป็นสุขและการที่สองก็คือว่าเหตุที่เราวางใจเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า การจากไปคือสาเหตุของความเป็นห่วงครับคือการไม่ได้อยู่ด้วยกันการต้องถูกแยกกันการต้องต่างคนต่างไปตทำภารกิจและพันธกิจภารกิจและพันธกิจของพระเยซูก็มีสาวกต่อจากนี้พระเยซูก็มอบภารกิจให้เขาแต่เนื่องจากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับเราจะได้พบกันอีกอย่างแน่นอนนี่เป็นพระสัญญาสําหรับเราที่จะไม่วิตกกังวลประการที่สามครับ เราวางใจเพราะเหตุที่ว่าเรามีที่อยู่กับเรามีบ้านแต่บ้านนี้เป็นบ้านของพระบิดาเป็นบ้านที่เราเรียกว่าสวรรค์เป็นอาณาจักรของพระองค์ครับผมชอบคําว่าบ้านมากที่สุดครับเพราะว่าเป็นที่ที่เราจะเป็นตัวของตัวเองได้เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นแขกนะครับในขณะเดียวกันบ้านหลังนี้คือสวรรค์เพราะว่าสวยงามมีความสุข และพึงปฎาฐานะอบอุ่นด้วยเป็นที่ที่พวกเราจะมีพระบิดาเป็นเจ้าของอนะครับเป็นเราเป็นของที่นั่นและเราเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านของคุณพ่อของเราบนสวรรค์และเราเป็นลูกของเจ้าของบ้านมีวันหนึ่งครับพระเยซูจะมารับเราไปอยู่กับพระองค์พี่น้องครับตรงนี้เองเป็นจุดที่สำคัญหลายหคนอธิบาย เรื่องชีวิตใกล้าตายครับบอกว่าในช่วงขณะที่เรากำลังจะจากโลงนี้ไปนั้นเปเยซูจะมารับเราด้วยพระองค์เองนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เปเยซูได้ตรัดไว้พระองค์บอกว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราตรงนี้มีสองความหมายนะครับก็คือเราไปอยู่กับพระเยซูก่อนตรงนั้นนะครับนักวิชาการ นักศึกษาพรมทีได้บอกว่านี่เป็นวาระสุดท้ายก็คือเราจากไปอยู่กับโครงก่อนตอนที่เรากำเนิดจากไปนี่แหละครับพระเยซูจะกลับมารับเราครับและความหมายประการที่สองก็คือการสเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูด้วยสง่าราศรีบนก้อนบนเมฆบนท้องฟ้าครับพี่น้องอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นการรับนะครับรับอย่างเป็นทางการ ขอว่าเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไว้วางใจประเยซูเพื่อที่เราจะรับพระพรและเป็นพระพรเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเรามั่นใจว่ามีวันหนึ่งพระเยซูจะมารับเราไปสู่สถานที่ที่มีความสุขที่สุดอาเมน